แต่ทีนี้ก่อนที่จะขึ้นปะตะว่างนะใครอยากจะรู้ว่าดูสามก๊กเปน็นอาบรหรือไมาไม่ยากมีหลักฐานอยู่ในเล่มนี้แหละนะครับขอให้ทุกคนเปิดไปนะครับเปิดดูสารบัญกันนะเปิดไปที่หน้า27นะครับ <c oughs> เปิดมาซูโบโซวิธีนะครับหน้า <c oughs> 27หน้า27นครับ <c oughs> เปิดไปที่หน้านะั้นแล้วเราก็จะได้ อันนี้มาจากหลัถฐานเลยนะในพระไตรปิฎกเลยนะครับพอดีพระอาจารย์สุพจน์ท่านรวบรวมมาให้นินท่านรวบรวมไม่นานแล้วนะทําไว้เนี่ยก็มาจากหลายที่ชัดเจนครับตรงหัวข้อว่าการดูการฟังที่ไม่สมควรแก่สมณะอีกเรื่องนึงที่เห็นทําผิดกันอยู่ด่า ด, ดืนโดยไม่เห็นว่าจะเป็นโทษกันก็คือเครื่องสีเครื่องเสียงต่างๆ นี้แก่โทรทัศน์วิดีโอสตรีิโอโอเป็นต้นนะครับสเตอริโอเป็นต้น <c oughs> ซึ่งเมืองไทยในปัจจุบันนี้วัดที่ไม่มีสิ่งเหล่านี้โดยเห็นว่าเป็นโทษการจริงๆนั้นมีอยู่น้อยมากส่วนมากเท่าที่ได้ประสบมาก็มีกันแทบเท้งนั้นนะครับ ก, ก็จะผ้าสายธรรมยุทธ์หรือว่าสายป่างนีนะครับมันดีเข้าไม่มีจริงนะ แม้แต่มือถืออินเทอร์เค่ากไม่มีเลยครับไม่มีเลยนะแต่ส่วนใหญ่ก็มีกันและนะครับส่วนใหญ่ก็มีไว้เพื่อแสวงหาความบันเทิงทั้งนั้นด้วยซึ่งถ้าปล่อยให้เป็นอย่างนี้ต่อไปก็มีแนวโน้มว่างมากขึ้นและทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นด้วยเพราะว่าการเสกการมคุลกระแสการมคุลที่ชาวโลกผลิตออกมาในแต่ละวันนั้นมากขึ้น และมีความร่อแหลมรุนแรงขึ้นเรื่อยๆด้วยครับมันก็เลยมีการดูหนังโป๊ไงถ้าดูหนังแอค ด, ดูอะไรใช่ไหมครับเนี่ยเพราะว่ามีสื่อพวกเนี้นะหากจะถามว่าการที่พิสูจน์สัมบัณฑแสวงหาความเพลิดเพลินกับสิ่งเหล่านั้นผิดหรือไม่ตอบได้เลยว่าผิดอย่างแน่นอนครับหากจะถามว่ามีที่ห้ามไว้หรือไม่ ที่จริงถ้าบาลีที่ว่ายะสะปัญจะกามะคุณากับปันติเอกังเสเนตังคามนิทารยาสิอสมณะธรมโอสระยาปุตติยะธรมโมติที่แปลว่ากามคลห้าสมควรแก่ผู้ใดท่านจงรู้ผู้นั้นไวอย่างเดียวเลยว่ามีปกติไม่ใช่สมณะเชื้อสารภาษาญบุตร ที่ได้ยกมาแสดงแล้วนั้นก็น่าจะเป็นคำตอบที่เพียงพออยู่แล้วแต่เพื่อเป็นการเชีย่ยเห็นโทษก็จะข อ, อยยกเอาหลักฐานจากที่อื่นมาให้พิจารณาอีกอย่างนี้เนีย่ยท่านยกหัวข้อธบาดีตัวดำๆเลยนะการบุญคุณท่าสมควรแก่ผู้ใดท่านจงรู้ผู้นั้นไว้อย่างนีเลย ว, ว่ามีปกติไม่ใช่มรรมสมณะเชื้อสายปัสกยบุตรเนี่ยเรองตัดมาเลยครับ นี้มันดูหลักฐานนะครับในภาพบาลิธิฆานิการพระพุทธองค์ตัดไว้ว่าอ้ขุงจระเข้เนี่ยยะถาปณะปะเนเกโพนโตสมณะธรรมนาพระนะครับไอ้เนี้ยเออิทังติสะโหติสิลส์มิน้นแปลว่านะครับอันนี้คือทิฆนิการนะศีลคันธวะนะ แ, แปลว่าพิสูจน์ขาดจากการดูการละเล่นอันเป็นฆาสึกแก่กุศลนะครับเหมือนอย่างที่สมณธรรม บ, บางพวกฉันโพรชนาที่เขาถวายด้วยศรัทธาแล้วยังขวนขวายดูการเล่นอันเป็นฆาสศึกแกุ่ศลเห็นปนั๊นคือดูการฟ้อนรำการขับร้องการประโคมมโหระษบมีการไล่าลาเป็นต้นการเล่านิทานการปลดเล่นปบมือ การเล่นปลุกผีการเล่นตีกองฉากละครนี่ไงถ้าเจนั่นไม่ได้นั่นนะครับหรือผ้าบ้านเมืองที่สวยงามการเล่นของคนจันทานการเล่นไม้สูงการเล่นหน้าศพชนช้างชนม้าชนกระบือชนโคชนแพะชนแกะชนไก่ชนนกกระทาการรำกระบี่กระบองการชกมวยมวยปล้ำการรบการตรวจพนการจัดกระบวนกัร แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งเว้นขาดจากสิ่งเหล่านี้นะเป็นศีนะครับถ้าดูสิ่งเหล่านี้ก็ก็ทําผิดนะครับถือว่าทําผิดหลงตัดไว้แน่แต่ะถามีทำขยายความถ้าบาลีที่ว่านั่นจากทีตะอวาทิตะวิสุกทัสสนาปฏิวิรโตโหติแปลว่าพิสุเป็นผู้เว้นขาจากการฟ้อนรำขับร้องประคบดนตรี และดูการเล่นที่เป็นข้างศึกนี่นะแบบนี้นะวิสุกทัศนานะครับดูการเล่นที่เป็นข้างศึกแกกุศลหรือว่าแกพร ม, มัญจนนั่น่องได้นะครับอว่าไว้ว่ า, <c oughs> าศาสนสักอ น, นุโลมตาวิสูกรและนะครับพิขุนางนะพิขุนีนั้นจาว่าตันตินาจาัสุมังคะวิลาสินีศินคันทวันะครับนีบน่ <c oughs> เป็นตกรานอธิบายพระบาลีอีกทีหนึ่ง แปลว่าการดูสิ่งที่เป็นข่าศึกคือเป็นสัตรูเพราะขัดต่อพระศาสนาไม่ค้อยตามคำสอนชื่อว่าวิสุบท hmm. ัศนะนะครับเนี่ยการดูนะครับสิ่งี่เป็นข่าศึกนะเป็นผู้เว้นฐานจากการฟ้อนรําขับร้องประคมดนตรีด้วยตนเองด้วยสามารแห่งการฟ้อนราด้วยตนเองและจะให้ผู้ื่นฟ้อนราเป็นต้นเนี่ยนะครับ และการดูการฟ้อนรำเป็นต้นที่เป็นไปโดยที่สุดแม่การดูการทาแทนของน้องยุงเป็นต้นที่เป็นค่าศึกชื่อว่านั่นจะขีตาวานที่ต่าวิสูกับรัตสนะจึงอยู่การประกอบด้วยตนเองซึ่งจิตมีการฟ้อนรำเป็นต้นพอดีจะให้ผู้่นประกอบพอดีการดูการเล่นต่างๆที่เขาประกอบขึ้นก็ดีเนี่ยดูการเล่นต่า ง, างๆเนี่ยไม่ได้ครับไม่สมควรแก่ที่จติตทั้งหลายเลย ทั้งไม่สมควรแก่พิสมีทั้งหลายด้วยง่ายๆคือไม่ควรแก่ลมประชิตนะครับยังมีนะอาจารย์ยกมาเอาแบบให้เคลียไปเลยแล้ไม่ต้องมีแค่มาเถียงอ่า <c oughs> ยเรื่องมาเยอะนะครับมีคาพราณาณในตากถาว่ายังกินจินัจจังอันตัมนโัโสโมระนัจัมปีทัสนายะทัชันตัสสะทุกตะตัน แปลว่าเป็นอาบัตทุ ก, กฎแก่ที่สูดผู้ไปเพื่อดูการคล้องต่ำอย่างใดอย่างหนึ่งโดยที่สุดแม้แต่การลํำพันของนกยุงดางหลักฐานที่ได้ยกมานี้นะครับไม่ได้นกยุงลำพันที่ไม่ได้ที่อาจารย์อ น, น อ, รอนันต์อมพรบอกว่าท่านนรีการก็ออยังอธิบายว่าก็การเล่นของพวกลิงเป็นต้นก็ไม่ได้ใช่ไหครับนี้ไม่ได้นะ <c oughs> ดังหลักฐานที่ได้ยกมานี้จะเห็นได้ว่า แม้แต่การดูนอกอยูงลำแพนซึ่งมันก็ทำของมันเองตามภาษาสัตว์พิสูจนไม่ได้เป็นผู้จัดแจงให้มันทำให้ดูก็ยังไม่สมควรแก่พิสุจเลยดังนั้นจึงไม่ต้องพูดถึงการดูกาะเล่นต่างๆในเครื่องสีและเครื่องสีและเครื่องฟังเสียงต่างๆเพื่อความบันเทิงซึ่งจะต้องมีการพยายามจัดแจงขึ้นจึงจะได้ดูให้จึงจะได้ดูหรือได้ฟัง ยืนอยู่ในรกระถางจะมีคําว่าสัมพันธ์นะครับอันตระรามนทิตะะตัสปัสตุอนาปฏิแปลว่าไม่เป็นอาบัติแก้ววิสุทผู้ยืนอยู่ภายในอารามดูการเล่นทุกอย่างอยู่ในวัดดูนะไม่เป็นอาบัตินะครับ <c oughs> เดี๋ยวเนี่ยจะมีคำที่บา้าเอ้าผมเปิดดูในวัดผมไม่ได้เปิดดูนอกวัดซะหน่อยอยู่ดูการเล่นนะอย่างนี้นะไม่ได้ความจริงมีคำที่บ้ายนะครับ อันนี้มาเก็ว่าอยู่ในวัดแล้วก็เห็นเองน ะ, ะถ้าจะมาเล่นหนังในวันนี้ล้วก็เห็นใช่ไห ม, ม <า S 1> ไม่ได้เป็นคนขวายดูนะครับาอย่างเงี้ยเราไปอยู่เงี้ยแล้วเราูการแสดงชาอะไรเงี้ยนไม่ได้อยู่ในวั น, นะครับคำว่าเราไม่ได้จ้างใจครับและอาสนะสารายานิสิ น, นปสติอนานปติแปลว่าพิสุน่าดูอยู่ในโรงฉันไม่เป็นอาบัติครับ แล้วก็อยู่ในวัดหรือยู่กับที่เราเห็นมันเป็นที่ได้ยกข้อความตอนนี้มาก็เพราะว่าบางรูปเมื่อพพบเจอข้อความตอนนี้อาจจะได้ช่องทางว่าเรานั่งดูหรือฟังอยู่ภายในกุฏิของตนดังนั้นจึงไม่ผิดควาเข้าใ <c oughs> <c oughs> จอย่างนี้ไม่ถูกต้องครับเจะแต้องแก่งความเข้าใจอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะครับ และคาแนวแต่กะถาตอนนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าพิสุจะเป็นผู้พยายามจัดแจงขึ้นมาดูได้แต่หมายความว่าอารมณ์คือการเล่นนั้นเกิดขึ้นเองบังเอิญว่าอยู่ใกล้วัดนะครัิสุที่อยู่ภายในวัดที่อยู่ของตนจึงมองเห็นหรือได้ยินเสียงเองเนี่ยเป็นอย่างนี้นะก็มีการของเข้าเกิดขึ้นเองใช่หไหมครลงลงช้ามางม้ายะไรก็ได้แต่นะเกิดขึ้นเอง ปอดีท่าอยู่ในวัานนครับเห็นเข้านะเห็นเข้าปีมันม่ได้จัดแจงขึ้นซึ่งหากคิดว่าเราเห็นหรือได้ยินไม่ชัดเจนว่าเห็นไม่ถนัดเลยนะครับแล้วลุกขึ้นเดินเข้าไปใกล้ๆเพื่อจะได้เห็นหรือได้ยินอย่างชัดเจนอย่างนี้เป็นอาบัติเนี่ยก็ไม่ได้นะครับปพ่อไปพยายามแล้วใช่ไหมถ้าเห็นเองไม่เป็นไรแต่ว่าไปใกล้ๆเพื่อให้ได้ยินได้เห็นชัาๆนี้ไม่ได้นะ ดังคำที่ท่านพนานาต่อไปว่าปัสมีติอังสะปัสสโตปิอังปฏิเยวะแปลว่าเป็นอาบัยแก่พิสุผู้เป็นอาบัยแก่พิสุผู้รู้ขึ้นไปได้คิดว่าเราจะดูอย่ น, น้นะครับตั้งใจเลยแม้พิสุผู้ยืนอยู่บนถนนแล้ว อี้ยวคอไปดูเป็นอาบัตแท้กำลามเดินมีเดบารหรือว่าไปตลาดขันโยใช่ไหมเขาขดูสัห น, น่อยเขามีหนังมีอะไรเล่นกันนะครับเอี้ยวคอไปดูสักหน่อยอยากจะดูถ้าเผื่อะดูไม่สบายนะอันนี้แบบตั้งใจเลยนะครับตั้งใจเล ย, เลยน่าผ า, น, น, าน่าผาไนนน่าผาไปนะครับ จะเห็นได้ว่าเมื่อมีการพยายามมากจะดูก็เป็นอาบนบตปดังนั้นข้าพเจ้าจึงอธิบายอย่างอยู่หน้าสารทีเองนะครับอีกอย่างหนึ่งความเข้าใจที่ว่าเรานั่งดูหรือฟังอยู่ภายในปุตริของตนจึงไม่ผิดนี้ก็ไม่อาจสงเคราะ์ให้ถูกต้องโดยธรรมคือลงกันกับสทศทั้งหลายที่พุทธองค์ตัไว้ได้เลยอย่างเช่นนะครับ ตอนแรกท่านอธิบายถึงความเป็นอารบัตรนะว่ามันดูไม่ได้เป็นอธบัตรที่หลังนะครับถ้าก็ที่พูดถึงความควมไม่ควรตาตาธรําด้วยหน้าว่าไม่ควนะครับอ ค, บคือลงกันกับข้อสุด ท, ท้างหายที่พระองค์ตัดไว้ไม่ได้เลยนะครับอย่างเช่นในสังคตสูตรที่พระองค์ตัดถึงหลักการกัดสินว่าความวินัยเอาไว้อีกอย่างหนึ่งถ้าจะพูดถึงความเสียหายที่มีต่อจิตใจของวิสูตร หรือสา ม, มนเณรที่มีการเสดสิ่งเหล่านี้แล้วก็มีความเสียหายมากทีเดียวการคือกุศลมีศีเป็นต้นที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นไม่ได้ที่เกิดขึ้นบ้างแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะเลยนต่อไปเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันก็ดูเพื่ออะไรแหละเพื่อความบันเทิงนีรับความบันเทิงสนุกสนานเนี่ยนะนะครับไม่มีโอกาสที่จะดำเนินต่อไป ตรงกลางธาตุอคติสนที่ยังไม่เกิดก็มีโอกาสเกิดขึ้นเมื่อเกิดโลภะโทสะอินไปกัรเรื่องนะครับใจมันก็ยินียินร้าใช่ไหมขณะนั้นครับอคติสที่ยังไม่เกิดมันก็มีโอกาสเกิดขึ้ น, นที่เกิดขึ้นแล้วก็มีแต่เฉพาะภูนมากขึ้นเพราะการทั้งหมายเป็นสิ่งที่เสร็จไม่รู้จักอิ่เนี่ยนะไม่อิ่มหรอกครับยิ่งเสร็จมากยิ่งมีแต่ความต้องการนี้ขึ้นไป ดังนั้นผู้ที่ถูกสอนถือการขึ้นไ ท, ทยแล้วจึงไม่อาจที่จะศึกษาหรือปฏิบัติกิจที่ควรทำในพระศาสนาให้เป็นไปน้ดีได้เลยแม้จะได้ศึกษาพระธรรมวินัยอยู่บ้านแต่ก็ไม่สามารถที่จะทำให้เกิดความเห็นอันถูกตรงที่จะนำไปใช้ในส่วนของการปฏิบัติจริงๆได้เพราะจิตใจมีรูรั่วอยู่คือไปจดจองอยู่แต่ในสิ่งที่ม่เป็นสาระ เพียงศึกษาอะไรมาบ้างใช่ไหมแต่ว่าตัวไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ไปใช้จริงๆนะครับใจมีรูรั่วนะอันนี้<ม>ก็จะไม่ชสรุปประโยชน์กับตัวเองนะครับไฟจดจออยู่แต่ในสิ่งที่ไม่เป็นสาระที่น่าสงสารเป็นอย่างมากก็คือถ้าหนุ่มเน้นน้อยที่บวชเข้ามาใหม่ๆเขาเหล่านั้นยังไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นของร้อนอะไรเป็นของเย็น คืออะไรที่มัควรไม่ควรนะของร้อนคือสิ่งที่มันผิดเป็นโทษนะครับกลับต้องเล่าร้อนโดยไม่รู้ตัวเพราะสิ่งเหล่านั้นทั้งที่ก่อนจะบวชก็ร้อนหนักอยู่แล้วเนี่ยร้อนไม่เจ๊ร้อนไหมร้อนเอยหน้าของการมันคุณของกิเลสไงก่อนที่จะบวชนะร้อนไหมด้วย เนี่ยทั้งที่ก่อนจะบวชก็ร้อนหนักแล้วร้อนน้ำเบื่อครับ <c oughs> บวชมาแล้วแทนที่จะได้รับของเย็นบ้างก็อาจจะรอ้อนยิ่งกว่าเดิมเสียอีกเพราะมันขาดคลามากใช่ไห ม, อมพอมันขาดคลามันก็เสด็จเต็มที่นะสิเหล่าเนี้ยนะก็ร้อนหนักกว่าเก่าเนี่ยดังหลักฐานและเหตุผลที่ได้ยกมาในดงทั้งหมดนี้ขอจงพิจารณาเห็นจริงเถิดว่าสิ่งเหล่านี้ เรื่องสีเป็นต้นซึ่งสวนมากเป็นผลมาจากการมีเงินที่เป็นทอดจริงๆเมืม่คุณเสกไม่ควรแม่แต่จะมีไว้ในวัดเลยเว้นบางอย่างที่จําเป็นต้องใช้เกี่ยวกับการศึกษาแต่ก็ต้องมีสัจจะกับตัวเองนะครับด้วยนี่นะก็เป็นข้อไม่ให้ใช้ไปดูไปพิจนารณากัแต่นะครับก็ไม่กลัวนะคุณห น, นุ่มเนี่ ม่ากะนะว่าจะพูดอะไรอยู่างี้ยอ๋อแหวนเราหน้ารถทัวก็เหมือนกันนะไม่ได้หนะครับไม่ได้ไม่ได้หนะครบับจะไปดูวันเช่นในวันนะอันนั้นมันตั้งใจเลย<ม>แค่คุณไม่แหน้าขึ้นไปมองมันก็ไม่ดูแล้วครับ<ม>แล้วก็ท้อสายตาลงจับครับใช่ครับถือว่านั่นแก้ตัวใช่ครับแก้ตัวได้นะ ค, คือบางเทีย่มันเป็นลักษณะนี่นะครับ เวลาถึงจย์ท่ามกลางสงมันก็นหบานนะใช่ไหมครับมันมันมีหลายานะอย่างนะจะแก้ตัวบ้างอะไรบ้างนะครับบริษัท จ, จะเข้าใจอย่างนั้นพูดจรก็ได้นะหรือว่าเป็ําำแก้ตูวก็ได้เพราะว่ามันท่ามกลางสงใช่ไหมมันหนักนะใครโดยคนนั้นจะรู้ว่าเป็นไงครับ <c oughs> <c oughs> ก็ไม่มีกระหมูโ ย, ยงเว้นนะก็เรียกวิสุทธิวิสุทธะศาสนานครับการละเล่นต่างๆเป็นข่าศึกต่อระศาสนาใช่ไหมครับไม่เคลื่อนขุศน์เจริญครับเราก็ความมีสีรษะพระทําวินัยได้นะถ้าอยากจะรู้ว่าลบเป็นยังไงถีง่แจนะ้งน่ะไปอานอ ม, มหงศชาลบก็ได้นะครับสินยอดเลยหนะนะ้าน่ะมีบรญญาตั้งแต่เป็นเด็ก น, น, นะครับที่จะทานาได้ไดครับถ้าขนาดเมื่อก่อนนะพระราชาใช่ไหมพระเจ้าอะไรนะ อาชัะตูเจาะร่มนะครับก็ยังส่งอมาให้มาถามประเดิจังลงขนาด น, นั้นนะในศาสนาไหไรเขาเขารู้ว่าเพราะว่าพิสวรรค์ ร, รู้มากครับต้องไปฟังพากคุยกันคุยอะไรเนยะจะรู้เนี่ยครับเพราะฉะนั้<อ>นศาสนาเนี่ยครบถ้วนครับไมัต้องกลัวแต่เราเมื่ได้ไปเพื่อเบียดเบียนไงแต่เพื่อมาขัดกล้าล่าเขี่ยตับเองแล้วเพื่อจะบอกนะคือก็มาถามว่าจะแพ้หรือว่าจะชนะอะไรอ่านี้ ยังไงนี่ยจำไม่ได้นะแล้วบอกว่านะไรองคต่างว่าอย่า ง, างี้อ๋อพระองต่างถึงนั่นงไงถึงว่าตั้งแต่เราสินานง่งเรกแล้วกันเท่าเจ้าฤาษีที่ว่าเขามีอะไรนะรายยธรมใช่ไมครับพร้อมเพียงสมัครสมาน ส, สาัคีกันนะถ้ามั่มีใครที่จะไปชี้ได้ง่าว่าพระเขาอยพร้อมเ<บ> พ, มพีย อ, อยูอ่นีค่ครับแล้วว่าชี้เนีว่าชีใช่ไหมว่าชีนะครับว่าชี้จผิดนะว่ชีันนนะครับ นนเขาอะไรไม่ไปใช่ไหมนนทีนี้เอามาประเด็นของที่พูดมน ก, กียนะเขาบางทีก็เป็นความแก้ตัวหรือว่าความตีก็ได้นะแต่ว่าถูกจด้าเการของข้อหนักนะแล่ก็เป็นปฏิรูปคุบาลาาขนาดสูงด้วยใช่ไหมเรบเพราะว่าไม่กล้าเปิดเผยขนาดนั้นน่ธรรมดานะเกี่ยวว่ามีกรรมฐานด้วยถ้าคร้าทำนาดจะละะบะัก <c oughs> คือลองเ่ย ถ้าเราเจอโจทก์ข่ามกลางสองสร้างเรื่องหนึ่งนหะแล้วก็ขี้เป็นที่เราเลยเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงครับรำไรเหียเหี้ยนะใช่ไหมไม่เหี้ยไม่แค่ตัวก็น่าติดไปเลยใช่ไหมครับอ่าเพราะว่ามันโดนโจข่ามกลางสองไลยหนาะแต่ถ้ามันเป็นปแกลงอย่างนี้นนี่ยแล้วก็มันมีเสด็จใช่ไหมกับตัวเองกับคนอื่นนะครับผิดกว้วาตามผิดถูกว่าตามถูกนะถ้าเราจะว่าเลยทำเลยวินัยนะครับคือที่ข่ามกลางไม่ถูก ที่ไปดูไปข้งางแต่อะไรดูสนังนี้ใช่ไหม ค, ครับว่านเราทำยังไงคือมันไม่ถูกแล้วนะเป็นค่าสึคอมมอนตจังแล้วข้า ง, งาก็ากอจาจจะเป็นอัพโคลจอ น, น่าเนะ <c oughs> อะเอาโคยจอน <c oughs> อ ท, นที่ที่พิสูจ น, น์ไม่ควรเปลี่ยนที่ยวไปครับมีอารมณ์หนาหาครับเขาจะชอบเสนอครับคนมาดู นี่อ่ะตอนนี้อ่ะแล้วก็อันนี้ได้ น, นะแต่ที่จะพูดมาถึงการโจทครับการโจทย์อ่าแบบโจยทย์อะไรพวกนี้นะความยุทธ์ข้ามแมงโจข้ามกลางสงนะเขาเรียกว่ามันต้องประกอบด้วยองค์ห้าที่เมื่อผมเขียนเต็มอกระดาษแต่ภาพตอนี้ผมจําไม่ได้นะจําไม่ค่อยข้างนะครับแต่ที่จําได้เป็นคํำท่องนะจําได้สรุปง่ายๆว่าจริงการอ่อนหวานประโยชน์ไม่ตาม่างการเราจะโจทใครสักคนนะต้องครบองค์ห้า <c oughs> ถือว่าโจยทย์โดยธรรมจบเป็นธรรมนะเอาจริงนะครับโจทย์ด้วยเรื่องที่จริงนะครับไม่กลับตำเขาไม่ไปหาเรื่องที่ไม่จริงมาใส่ร้ายเขาะะไม่ทานี้นะครับจะได้เรื่องจริงที่เขาทำะะ <c oughs> การก็คือจบด้วยการนะครับถูกการนะครับไม่โจทย์ไม่ถูกการถูกการเอาเอาไม่ถูกการก่อนไปยังไงจะทำร า, างสงในที่สาธารณะชน ในโรงสลากในหอศรในอะไรนะี่นะที่คนเยอะๆมีสาธารณชนนะครับมันที่มันมีการมีการประชามันแล้วก็ทำให้เกิดความรู้สึกไม่ดีต่อกันนะครับนี้นะต่อต้านการนะครับอันที่จะพุ้นข้างทางส่วนนี้เจ๊คือตอนนี้ที่มึงคุย ร, รอบนอกไม่ได้แนละ้ะมึงคุยข้างนอกไม่รู้เรื่องนะใช่ไหมครับบอกอะไรก็ไม่ฟังแล้วนะอ่อะไรประเด็นสุดท้ายอยตรงนั้นนะครับหรือว่าเป็นที่กรณ์เป็นเรื่องหนักเรื่องใหญ่อะไรนะ ยังต้องเข้าทำกลางสงต่ถ้านรรมดาเนี่ยถ้าคุณยังข้างนอกหน้าคุณยังข้างนอกครับถ้าไม่กล้าบอกพ่อยคุณช่วยบอกถ้าคุณไม่ช่วยบอกก็กระจายรูปคุณครับไปช่วยกันแต่ข้างนอกฟังนะจะดีนะครับถ้าอยู่ดีก็เรื่องอะไรก็เข้าไปโจ้ขึ้นในโบสถอย่างเดี้เนี่ยไม่ได้เป็นเนื้อเกี่ยวกับความแสนแยกนะครับให้ไม่ยกเว้นแม้แต่ข้างล่านะครับตัวบาร์นีก็ปิดรับค้งหรอกขึ่งให้มีการ ไม่ใช่วันปรลานาคือการเปิดโอกาสให้ว่าการตัดสินกันใช่ไหมครับแต่ถามว่าจําเป็นต้องว่าวันนั้นไหมเ้วเปิดโอกาสวันนั้นครับแต่ว่ากลางวันถือหน้าไหมลองเชโบสถ์แลค่อยมาว่าก่อนตัดสินกันทย่างนี้มันก็ได้ใช่ไหมครับหรือว่าถึงว่าถ้าจะต้องพูดในที่นั้นคือคุยก่อนว่าอีกเพื่อเยอะแยะใช่ไหมครับ เราคุยกังก่อนอะไรก่อนได้ไหมไม่ใช่มารอเจ้าของวันนี้วันนี้อึดอัดอะจะจะมาเล่นวันนี้ให้เฉยอย่งนีนะไม่ดีไม่ดีนะครับคูยังก่อนได้เลยเพราะว่าเรื่องมันเกิดขึ้นหลายวันตั้งนานแล้วใช่ไครับเอาคุยั่อนเจะไปสร้างแต่อะไรก็ได้ครับก็อย่ามารอวันนั้นนะอย่างดี้นะครับครับนันเป็นอย่างนี้นะครับอาจารย์ถือว่าถ้าเป็นพาสเกกงก็ไม่ไม่เป็นผู้นำโดยอย่างจะไเท่าแี้ คือมีหลักในการที่จะเกลี่ยนผ้าเถื่อท่านก็บอกนะครับเขาไม่โจดจี้เนี่ยถ้าการสงเขาไม่ทำนะครับไม่โจจี้เมื่อก่อนเขาก็ทําคือเขาไบอกว่าถามท่านเชิงว่าควรหรือครับท่านอาจารย์ทำนี้ควรไหมคือพูดแบบต้องมีการหกเห็นใจท่านนะล่นความเคารพย่ำเกรงนะครับไม่ใช่มาจี้มาแส้าลงนี้่เลยแม่แล้วก็จะไปผิดหลักผิดธรรมนะ อาจารย์คนเดอยวน<อ>ี่ตอนในสมัยก่อนนะตอนในสมัยก่อนผมไม่ได้ทํานะครับเมื่อก่อนอ่ะก็มีโปรนายคุยนะากัอาจารย์ก่อนอยู่ท่านก็บอกว่าเปิดใจคุยไปเลยไม่จริงนะตอนนั้นใ่า ไ, ไม่บอกให้บอกน่าอาจารย์คนเดียกันนี่แหนะอ๋ออ่าอาจารย์บอกวว่าหน่อยนะให้คุยแบบข้หลังเลยมีอะไรเปิดใจกันแล้วก็มันจะได้ไม่ต้องมีอะไรติดใจกันไงเดี๋ยวติใจกันว่าไปเลย ครับโอ้โหพอเปิดับ่อยๆ น, นั น, นะครับใส่กันแหลกนะสา ร, ารพันเรื่องไม่รู้อะไรต่ออะไรนะตั้งแต่นั้นมันก็เลยเปประสบการณ์ ข, ของท่านไงแต่ถ้าท่านไม่เปิดโอกาสอย่างนีนเลยครับก็จะเน้นเรื่องทำเรื่องวินยัยเรื่องไม่ตานี่อะไรนะครับก็จะเป็นลักษณะว่าพระอยูน่นะฮะโอวาแทขขนแบบนี้นะครับและของขมาพระจะน้อยใจขอมาพระถิทได้นี่นแะและ้วก็จบ ท่านจะไม่เปิดมาซัด ก, กันท่านก็ไม่รู้นะท่านก็เป็นประสบการณ์ท่านนะครับเพราะว่าีท่านก็จะไม่ทํำนะมันก็หมือนกับว่าคือภาวนาเพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์ด้วยกันใช่ไหมครับแล้วก็ต้องปเปื่อเพื่อความสมฉะสมาสามัคมคีคคอย่างนี้นะแต่นี่อ้าทําไมวันนี้วายซัด ก, กันแล้วก็ไปตกลงแค่กันทีละมันไม่ใช่จะเชื่อครับนี่สิ่งการของหวานนี่ยของหลาน คือคำพูดไพเรอะหนะ้าฟังนะทอใจบอกคนฟังเขาดูโอ้เนี่ยคนนี้ชอบหวังดีต่อเราใช่ไห ม, อมพอฟังจะรู้สึกได้อะไรอบบนี้มันาะหน้าหน้าฝังนะครับนี่คือพระสิริราชเราก็ต้องมีครับผมเคยมีอยู่ทีหนึ่งนะอาจารย์เขาบอกทนทีท่านบอกว่าอาจารย์สุกคนะครับก็เพะคุณไดเ้เจ้าเนะีให้เราคารุกลางจางแับคันสาใช่ไหมครับไปอามาเรื่องศักท์ถามสาห า, านะ่ยมีอะไรชา้า ลีงนกกระทาใครจะอหานบ้างครับกครอ่านครับไม่รู้ใช่ช้างิงนกกระานั่นแหละนกกระาที่ว่าเป็นพี่ใหญ่ที่สุดเพราะว่าเกิดเกาะใมครับพองค์ของยกเรื่องมาแล้วก็ทั้งหลายนี่คารมกลางตาแบบภาษาภาพผู้น้อยคารมภาพผู้ใหญ่นะครับแล้วก็ภาพผน้อยคารมภาพเสหล่าอย่างนี้นะอาจารย์ก็บอกว่าเมื่อผู้จะใช้เราคารมกลางตแบบภาษาให้คารมภาพเสหล่าอยนีครับ ถ้าเราไม่ครุขฆาตเหน้าเนี่ยก็เท่ากับว่าเราไม่ครุขกุฎเจ้าก็มืพระองค์ต่างกันอย่างนั้นใช่ไหมครับผมฟังแล้วผมอึดเลยมอแทงใจเลยโอ้เนี่ยเราไปทำผิดหลายครั้งนะ น, นะครับผมไม่ได้ขออาจารย์นะแต่ผมรู้สับสนนึงเลยนะครับ ว, ว่าที่อาจารย์พูดมันสูงนะก็เมือ่อคุณเจ้าให้เรากรุการตามตามหลักศีลถ้่คุณไม่ครุขฆาตเสนะคุณก็เท่ากับว่าไม่ครุขกุฎเจ้าส นั่ะก็ต้องมีวิธีพูดครับนิ่งการเข้ากันของอย่างนี้นะก็จะต้องนั่นเลยครับยิ่งต้องใส่ใจเยอะแล้วก็มันจะมีผลเสียอย่างนะไม่ใช่พูดไม่ได้อะไรก็พูดได้จะต้องูีจัดระบายวิธีถ้าอย่างนี้มันจะมีผลเสียอย่างนะครับที่จะประสงการณ์นี้ใครเกิดขึ้นนะคือพระใหม่ผู้มาใหม่นะครับจะเข้าใจว่าการเปลี่ยนพระศิลาเขาทำเป็นอย่างนี้แหละ เออมนใส่กัานามทางสงเลยเขาจะเข้าใจอย่างนี้ น, นะครับและต่อไปนะความร้อดึงใจชอิรัฐกบาลาารจะน้อยลงทุกคนก็จะกล้าที่จะพูดหมดใช่ครับละหลายคนนะก็จะกล้าที่อ้าวอาจารย์ทำไบคนนี้ปรสานต่างคนมนุษยต้งกี่จุดปรสานใครจะใส่กันอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นเขาทำานี้ได้นะก็มนก็เป็นสถ่านนัิาาปเป็นเรื่องใหญ่ที่ไม่ดีเด็กๆก็นีก็ทาตางกันนะครับเพราะไม่รู้เห็นเป็นแบ่งแนะ พ่อีคนแรกไม่กล้าทาพ่อมีใจทำใช่ไหมพอกล้าทำคนหนึ่งแล้กกวก็จะเป็นเหตุซึ่งมันก็จะเป็นเหตุให้เสือ่อมนะครับเสือนะ่อมพ่อไม่มีการเคารพการกันแล้นะครับอันนี้ก็ต้องดูนะอันนี้จากประสการณ์ที่ผ่านมานะครับก็จะเห็นว่าเป็นลักษณ ะ, ละ น, นี้นะนิดออนหวานเรือประโยชน์นะครับก็มุ่งประโยชน์นะครับมุ่งประโยชน์แต่เข้าน ะ, ะ, ะ, ะ, น ะ, ะอันนี้บอกว่ากล่าวคำที่เป็นประโยชน์ ไม่กลับคำที่มาใช้ประโยชน์นะคทําคำที่มันเป็นประโยชน์ไงจะให้เข้าเจรจาคำวินัยใช่ไหมครับให้ออกจากอาบัตินะให้สหํารวมในศีลเพื่อความบริบูรณ์แห่งไปสิขายนี่ผู้เฝ้าสมัครสมาสา ม, มกีกลมเกลียรใช่ไหมครับนี้ะครับเพื่อความบริสุทธิ์เนี่ยต้องพูดคําที่มันเป็นประโยชน์เป็นสาระนะครับไม่ใช่ว่าพูดเรื่องสิ่งที่มันเป็นสาระนะไปโจทย์เต้าอะไรทีม่มันไม่ไม่เกิดประโยชน์อะไรนะครับก็มีควร ประโยชน์เม่ตาอันสุดท้าเนี่ยก็มีความปรัชนาดีปรัทนาดีต้องการให้เขาเปความสุขเขาพ้นจากอันบาปไม่มีข้ออะไรเข้านะครับอันนี้ก็มีองค์ห้าจํากันเลยจริงการอ่อนหวานประโยชน์เม่ตาจริงการอ่อนหวาปนประโยชน์แม่ตานี่จริงการอ่า ป, ประโยชน์แม่ตาใช่ครับจำกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีโจทย์ก็เนีจยก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็ดูว่ามีดีนะ แต่นี้ก็ก็ได้นะครับเป็นอย่างนี้ต่อไปแ้วใช่หมเรีย <c oughs> นรเรื่องการโจทนะครับที่จ้างหวานประโยชน์ไม่จางและก็อีนิดนึงอีน่ดนึงนะครับอีนิดนึงเกี่ยวกับอะไรน่ะโอเกี่ยวกับลขชี้ลชีบริโภคแล้วเราเพิ่งเรียนไปใช่ครับ น, นะ อ่ามีพ่อจับการ อ, อา่อนหวานประโยชน์เมตตามีอาจารย์ได้แล้วและเกี่ยวกับรักชีบริพ่อแลักชีบริพ้องนะครับวันแรกเก็เขาพูดหนักเหมือนกันนะแต่ที่ว่าจะไม่ร่วมธนกกรนาการศึกษาด้วยก็ถือว่าหนักไปนนะครับคือตอนแรกอาจารย์เขายอมรับจะทำคือแล้วใช่ไหมเขายอมรับเขา เขานแน่ไม่นั่นท่ก็แต่ทาคือจะแม่นั่นล้วใช่ไหครับมันน่าจะจบแค่นั้นแล้วนะ <c oughs> คือเราก็รู้กันว่าบางทีมันก็แก้ตัวบ้างอะไรบ้างใช่ไหม <c oughs> แต่ท่านก็ยอมแล้วคือก็ถือว่าจบแล้วนะครับแต่ฝ่ายนี้ไม่ยอม <c oughs> <c oughs> ต้องการแล้ตรงๆเลย <c oughs> แต่ผมเข้าใจว่าที่ท่านกล้าปล่อยขๆจนหมดว่าเนี่ยมันเป็นโชคของความโชคขออะไรนี่นะครับผมว่าตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นเพราะคาของโจบนะนั่นเป็นเพราะคําของขอาจารย์อภรรมอะ ผู้ลักษณะสนใจก็เสียน้าครับผลักษณะของหลวงของวินัยนะอาจารย์ก็เลยกล้าที่จะเปิดนะครับในลักษณะท่านพูดแบบโยกฐานไงแล้วก็พูดแบบคองรบออกนท่านใช่ไหมทีนี้เมื่อเราไปดีอย่างนี้นะเนี่ยคนก็จะกล้าเปิดเผยกล้านะถ้าเราไปใส่แบบจงใหรือท่าทางสองใช่ไหมวทีเอเขาไม่กล้าอันั้นเนตรงกเพราะต้องรักษาไว้บางหลาย้างใช่ครับคือ ถ้าถ้าถามมติครับในเรื่องนั้นถ้าเกิดอาดจารย์ไม่เปิดประเด็นก่อนก็ก็ไม่ไมีใครจะเปิดเปิดประเด็นก็ต้องตบตบใม่ใช่หมอ๋อจะมันจะเสียเสียเยอ<ช>คเ่เสียก็คือเราก็ไม่ควรทำให้สิ่งนี้ได้นด้านไหนนะไม่ใช่ว่าเราอ้างสิ่งนี้เราจะอ้างไอ้สิ่งนี้ขึ้นมาเพื่อทําไอ้สิ่งที่ไม่ถูก ต, ต้องอีกแบบหนึงขึ้นมาไม่ได้ครับแต่แต่ยังแค่าค่ถ้ารื่องตรงประเด็เท่านั พิวแสดงในรียการคือการคือว่าผมไม่เห็นมิตรโทษอะไรผมไม่ได้รู้สึกอะไรตรงนั้นก็รู้สึกว่าใจรักที่เกิดมาเนื่องท่านเมื่อันที่มันเการแก้ตัวอะไร่ว่าอาจารย์อาจารย์ใคว่าแก้ตัวนะคุณนี่เลยอ๋อ ก็ ค, คือแบบไม่ต้อ ง, อ ง, อ ง, ง, งนะต้องบนิสุทสองฝ่ายนะครับจริงๆนะต้องบริสุทธิสองฝ่ายถึงจะใช้ได้นะครับเดี๋ยวมันก็จะเหมือนแบบที่หนูเพื่อนนว่านะครับการอนุเคราะห์ตามทำที่ไหนเพื่อมาทำสิ่งที่ไม่เป็นการอ <c oughs> นุเคราะ์อย่างนะี้นะคือถ้าบริสุทธิ์ต้องทั้ ส, สองอยเราต้องรอดูทั้งหมดนชครับถนะึงทำที่ไหนไม่ได้บางทีมันก็จะเป็นการทำผิดนะครับมันก็ไม่รอดูนะ ผลเียงจริงๆคือเนี่ยภาพคุณน้อยจะเอาอยิ่งอยากตามใชนไครับมันจะเป็นีจริงๆนต่อไปนะถ้าว่าไม่มีการค้ากนการอะไรกันบ้างใชไหครับคนนี้ก็เปิดได้แต่ก็จะทําตามตัวเนี่ยผลเสียเยอะเลยง่ายๆ่ลยครับถ้าคุณอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะไม่มีการเขากันตามคำวินัตหรือตามแบบคนสานะแจ้งเลยนะครับแจ้งอยู่ไม่ได้ที่นั่นอยู่ไม่ได้เลย ว่าไม่มีแล้วนะครับภาศิลป์คูบาจานพันตรงพันเต้ไม่มีแล้วทุกคนเสมอการหมดเลยนะครับเป็นเพื่อนนะเหมือนกับเป็นเพื่อนเขาอาจจะเป็นน้องเขาเลยเออเนี่ยนั่นอะไรนายเรียงพระธีรากันเลยอ่ะทำไมไม่มีข้าไม่มีผมมีพันเตไม่มีแล้วว่าก่มีอะไรแล้วนะครับทุกคนเสมอผภาคกันความเคารพยังเป็นไม่มีแล้วในนี้เสื่อมเลยนะเป็นเหตุให้เสื่อมโฆษณาก็จะเสื่อมได้น่นะครับเพราะนั้นตรงนี้นะครับต้องใส่ใจให้ดี เมื่อกี้พูดเลยนะอ้อันนี้ประเด็นนี้พอน ะ, อะอ น, นั่นก็รางเสียนราชีาวอนิพพ์ที่ว่าที่เขาบอกว่าเขาจะไม่ร่วมสังกัดกรรมมันได้พูดอย่างนีง้เลยตรงพูดแต่ทานองนี้ใช่ไหมแสดงว่าถ้าไม่ยอมก็วุสดหน้าอะไรอย่างเงี้ยบางทีป้าอา จ, จะไม่นั่นซึ่งกันเถอะอันนี้ก็ถือว่าหนักไป น, นะครับถือว่าหนักไป น, นะร่างเสียรราชีรินิพพ์มันนั้นหนักเราเดียดนะใช่ไหมครับคือถ้ามีสุรูปมนี้น่ะมีคุณมาจย์อบบาบะท่าน แล้าก็ทำคืนใช่ไหมยอมทยากจะทำคืนท่านก็ควรจะอาบัตรท่านก็ไม่ใช่ลัทธิแล้วครับนอกจากว่าท่านยอมท่านขอทําผิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆอย่างนี้นะเนี่ยผมก็ไม่ยอมจะทํานี่แหละทําไมอ้าวทำไมจะดูไม่ได้อย่างนี้นะอะไรก็ทําผิดอย่างงี้เล่นไม่อหวใช่ไหมครับอย่างั้นถึงจะเป็นไรทีินะแต่ถ้าเข้าเออเข้ายอมเขไม่ทำและอะไรนี่แนละมันก็ไม่ได้ข่าวลัทธิแล้ว อัลลัชีจงใจต้องอาบัตปกปิดอาบัตรไว้ใช่ไหมครับหรือแม้แต่เป็นอัลลัชีจริงๆนะที่เราเรียนมาท่านบอกว่าอย่างไงแม้แต่ว่านะครับการสงเคราะห์ อ, อัลลัชีบางพวกนะครับนี้นะการสงเคราะห์ อ, อัลลัชีบางพวกด้วยธรรมะและอารมิตบริโภคนะครับเพื่อข่มอัลลัชีที่เหลือจําได้ไหมนะครับ น, บนและข่มอัลลัชีที่เหลือนะครับเพื่อยกยักษ์พระศาสนา อย่างนี้ก็ออยังควรครับยังใช้ได้นะเ <c oughs> พราะว่าวรายชื่อนั้นเขาอย่างที่ผมยกตัวอย่างให้ ฟ, ฟังน่ะอเป็นเจ้าพนคณะตำรวจนที จ, นนทจังหวัดก็แล้วแต่แต่เขาก็ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาปฏิบัติการทํำวินัยอย่างนั้แต่ทํายังไม่ได้เหรอถ้าเขาส่งเสริมใช่ไหมบาทีเราก็อาจจะเนี่ยร่วมบริบทมากกว่าท่านบ้างเ <c oughs> พื่อของเพื่อฝาเรา ไ, ได้กําลังขึ้นมานะครับไม่ใช่เพื่อคอยตามเขานะเพื่อใส่รายชี่อได้กําลังขึ้นมา แล้วก็ไปขบมลัลราชีที่อย<ม>เพื่อให้ศาสนานี่ยเจริญต่อไปอย่างนี้ก็ยังได้เลยครับแต่ น, นี้ไม่ถึงขนาดนั้นนะใช่ไหมครับไม่ถึงแปดราชีขนาดนั้นเนะี่ยจะไม่ร่วมสึกษาไม่ร่วมอะไรนี่ถือว่าหนักอะไรนะครับถือว่าหนักมันดีก็ทําเกินกว่าเหตุนี้เนี่ยนะ<ม>แล้วก็ต้องมาดูองค์หลักหลายข้อตามคำตามวินัยใช่ไหมครับมาสามารถจะทําได้แค่<ม>ข้าวการที่ว่า อ ย, อย่างอย่างผี่ก็กือเป็นผู้รับเงินรับจแล้วก็ยังเป็นผู้ที่ฉันงตันมายก็รู bon ้ว okay. ่าเป็นอาชีแล้วก็ไม่หลงสลายชื่อชื่อก็เป็นอาชีพเป็นเข้าไปแค่นี้พอทั้งรู้ก็อย่าทำใช่ไหครับเป็นครับนี่เนี่ยจะได้รู้ไว้นะก็ต้องทำแต่ ถ้าถ้าถ้าเราถ้าเราดื้อไปครับช่ะมีตังอยู่แต่ไม่ได้เป็ตงเราตังวนอ่อะนั้เป็นหน้าที่อ๋อไม่มีตังอยู่ใช่ไหมครับเราเรียกทคืออนหือัเป็นตัยเสร็จไเรียทําคือแต่ว่าเราปองอาบะอะไรเรียบร้อยเลยครัอย่าง อ, างอาื่นนะที่เราือหรือว่าเรายังอยู่วันอย่างนั้นอยู่ครับยังอยู่วัอนอย่างนั้นยังทำอะไรเหมือนเขาทุกอย่าง เพียงแต่ว่าเงินมันอยู่ในบัญชีที่อาจจะลืมไปเลยว่าฝากไว้ใช่ไหมครับมันานเกินไปเนี่ยหนึ่งเลยหรือว่าจิตแล้วไม่ได้คิดอะไรออ่ก็เป็นนะัก็เป็นอะไรทีะแต่ว่าคมจริงอะไที่เอาเอาขนาดจิตนะขนาจิตที่ร่วงละเมิดนะครับแต่ก็อยาเว่าเป็นอะไใช่ใช่แต่ก็ถือเป็นเป็นไม่ได้ถ้าปิดข้อหดข้อหนึ่งก็ไม่ได้นะครับเหมือนเขา ข้อก็ที่จิตตุบะครับแต่ว่าเขาก็แปลร่าชีโดยประจํานะถึงแม้ว่าอารลัทธิจิตมันไม่ได้เกิดตลอดเวลาใช่ไหมใจที่มัละอ่านนะครับแต่เขาก็เวียนไปดูความเป็นอย่างนั้นเป็นปกติที่มันก็ประจําประจําความกิ็นอย่างนั้นนะก็ถือว่าใจลัทชีนะครับนี่นะก็ใส่ใจให้ดีนะครับถ้าไม่มีความเคลารลบแล้วนะลาบากเลยมันจะเป็นลักษณะ น, นี้นะครับไอ้ว่าเราหนึ่งขครูเนี่ฟังนิดหนึ่งนี่เยอ มาชีได้เป็นภระศิระใช่ไหมครับอืจากอันนี้จากความคิดของผมเองนะถ้าได้เห็นนะครับถ้าพระิระครูบางจามงทีนะจะเรียกร้องความเคารพย่างเพรงจากพระนวักกัตมาชิมะนี่นะครับถ้ามาชิมากัตเล่าชีมาก็จะเรียกร้องความหนุนเห็นใจศาณียธรรมความเมตตากรุณาต่อกันต่อพระศีระนครับนี่นะมานเป็นลักษณะ น, น, นี้ได้ครับพเพราะใคยมีคมมนมาพวฟังนะ เนี่ยปกรองประเท่าก็เรื่เออนี่นะเขาต้องการของเขาอย่าเนเต็มเต่ถ้างนวมกันไม่ชิมามากกว่า น, นี้จนถ้าชิมมากชิมมากนวมกันก็ยังต้องการความตรงเห็นใจความมีสานิยธรรมไม่ต่างกันมากกว่า น, นี้ต้องการอยู่หาสุขมากกว่า น, นี้ใช่ไหมครับคือเป็นเรื่องอะไรเนะี่ยบางทีเราใหญ่ที่ว่ามันคุยไม่ได้ <c oughs> ต้องคิดว่ามันคุยได้ก่อนใช่ไหมครับเ <c oughs> พราะบางอย่างในะเชื่องส า, านิยธรรมเนี่ย มีเมตตากายกรกรมวิชิกรกรรมมโนกรรมทั้งสองน้าร่ำลึกใช่ไหมครับที่นายยกตัวอย่างว่าเมื่อเห็นบริขารคนอนะื่นอ่ะเข้าเก็บไว้แม่เรียบร้อยใช่ไหมครับถ้ามาว่าให้ไปเก็บให้เลยนะไปเก็บให้อย่างดีเหมือนกับบริขารของตนเลยนะครับถ้าจาุนาญาญญาพิยุยาพับให้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วไปเก็บที่ที่สมควรทำเหมือนกับเป็นบริขารของตนเองเลยอันนี้แหละนะครับชื่อว่าเมตตากายกรรม อที่เด็ดเป็นไปเพววื่อความอยู่หาสุดของเรานะครับไม่ช่อาเจอใครวางอะไรทิ้งตรงไหนแนะมวบารีข้อลืมคนมาลืมกันได้ใช่ไหมก็อาจจะลืมกันได้นะครับเสติอย่างนี้น่ะพอไปเจอใครวางอะไรลืมไว้ไม่ได้เลยนะครับด่านบนอย่างนี้จะหาเรื่องเล่นงานแ <tutorial> ค่อย่างเดียวนี้นะมันไม่ใช่เมตตาน่านอย่างนั้นเดี๋ยวใครเดี๋ยไม่รู้เรื่องอะไรวางอย่านี้จะหาเรื่องเล่นางานในนี้นไม่ใช่นะครับ มันไม่ได้เป็นแบบเพื่อความสุขนะแายการไม่ใช่สาสนิยธรรมไม่ใช่เมตตากรยกรรมอะไรนะครันไม่ชอย่างนั้นครับมันต้องมีนะต้องต้องมีสถานีทำถ้าข้อนี้มีอย่างเดียแล้ว ค, คุณไม่ต้องกลัวเลยทั้งว่าอยู่ร่วมกันฐานสุขทุกทุกนาทีทุกคนเลยข้อนี้นะครับแต่บางทีเราจะไม่รู้หลักตรงนี้นะหรือว่าไม่ได้เอามาใช้เต็ที่อย่างนี้นครับมันก็เลยมีเเกิดขึ้นแต่ว่ามันก็ต้องสองลักษณะ น, นะ มันก็ต้องมีการว่ากล่าวฝังเตือนแน่นอนกันบ้างมันเชื่ไม่ได้เลยมันต้องมีไม่ใช่ว่าจะปล่อยไปเลยขอยไปเก็บไปกวาดให้ไงเรียนนี้ไม่ไหวนะมีการว่ากล่าวการบอกเลยท้องเก็บไปทั่วนะครับแต่นี้ก็แรืเหมือนกันนะครับไอตรงสถานีจะทำนี้ก็ต้องมีการฝังขลังกล่าวการว่ากั่งวสองก็ต้องมีนะครับก็ต้องมีด้วยณะของแบบเนี่ยแต่ว่าก็ต้องรู้จักวิธีการขึ้นอาจารย์ทำนครับ เงินเจริญมันจะไปแค่ฝ่ายเดียวฝ่ายไม่ได้ใช่หนะมครับมันดีถ้าฝ่าเนี่ยคือที่จะโอวัลเขาเนะี่ยเขาต้องพูดอีกนครับที่จพูดอีาอยา อ, อ, อ, อ, าอย่างนะคยก็มีองค์ประกอบหลายอย่างนะครับต้องสำหรับคปกิบัตที่ปวดประมแต่ว่าไม่ได้ปวดนานเ น, น, นี่ยคอรักคลรับมรดกผลรับประแต่นประเด็ น, น, นทน้องตลาดหรือเปล่าไม่ปวดท้องตลา ก็ควรที่จะว่ากลับต่างตือนบอกแน่นอนเกันนะแต่บางอย่างมันไม่รู้จะบอกยังไงแล้วนครับเอือมละอาเขาเรียกว่าคนที่อาจารย์ประชาชอบทิ้งอะมีคนที่เขาเอือมนะอาเขาบอกไม่รู้กี่ครั้งแล้วนะอ้าทํำไมไม่ย้อนข้อเรียนล่ะทําไมทําอย่างนั้นล่ะคนนี้คนนี้ก็บอกบอกมันมาละอาแล้วคือถ้าบอกมากอยางนั้นน่ะไอแม่ตามันจะครั้นตีกันขันแต่งเลยมันไม่ได้แล้วบางทีเราบอกคนอื่นน่ะเราก็ต้องดูใจตัวเองนะ ต้องรักษาใจโดยประมาณครับไม่ใช่ว่าเราไปหวังดีคนอื่นมากเกินไปจนโดยสมวนนิจของเราเสียหมอนนะโทรสะเครียดแค่นั้ถือว่าขาดบุญนะครับอย่างงั้นใช้ไม่ได้นะะเราเตือนคนก็จริงแต่ว่าต้องรักษาใจเราไอจารองการฝึกหัดขัดการตัวเราเนี่ยนี่เป็นประโยชน์หลักประโยชน์สูงที่เราต้องมี น, นะครับส่วนการช่วยเคนอื่นคือประโยชน์รองเมื่อทําของเราได้อะไรได้แล้วใช่ไหมเราต้องไปบอกคนแนะนำนะครับ แต่ไม่ใช่ว่าเราไปมุ่งไปที่เปียกคนอื่นอย่างเดียวนะมุ่งไปที่คนอื่นต้องก้างคดีนั่นอย่างนี้มันดีใจสีอะไรครับเพาเข้าไม่ได้หนักใจ น, นี่นะการเป็นโทสะเป็นอะไรไปเลยนะครับเพราะมันต้องรู้ระดับปิดมากแค่ไหนอย่างไงนะนี่นะนครับบางทีบิงนคนบอกว่าไม่ไหวแล้วนะมันก็เลยต้องเป็นอย่างนั้นนะครับผู้ที่อยู่ประชาชนทอดทิ้งอะไรนะครับทนไม่ไหวแล้วได้นะมครับ ผู้ในฝั่งเลยครับข้อต่อไปครับคือเรืผมเนี่ยผูปชาเขรักาแต่ผูประชาเนี่ยเป็นผู้ไม่เห็นอาเห็นใเรื่องทางยังมียังมงตรอแล้วก็ยังมีเป็นที่รักมืนเดิเวลาเ็มีงานเขาก็จะให้ผมไปเวลาผมไปเขาว่านี่มันอย่ทีดีไงเพราบดีเลย อย่างั้าไม่ต้องไปก็ได้นะครับมันจะมีเกี่ยวกับการถือนีสัยนะถ้าเป็นพิสูจรัชชีน่ะเราก็ต้องไม่ต้องถือนีสัยอยู่กับท่านนะครับท่านจะบอกว่าท่านูบาอาจเรา์เป็นรัชชีจริงๆนะถึงเราเราบอกท่านเราดีๆใช่ไหมท่านก็ไม่เลิกไม่อะไรท่านก็ยังท้าอย่างนั้นแหละนะครับอาจารย์เราก็ไม่ต้องถือดีสัยไม่ต้องอยู่กับท่านนะครับถึงท่านรักเราหวังให้เราจะอยู่ไงก็แล้วแต่นะแต่ก็ควรที่จท่องทิ้งไปเลยนะครับไม่ควรที่จะอยู่ด้วยนะ พ่อมีเดชทำให้เราเสื่อน ะ, ะทำให้เราติดรักศาสนาเนี่น ะ, ะแล้วก็หาคุบานจารที่ดีที่เป็นรอาชีพแทนะครับแล้วเป็นอาชีพอะรอาชี ช, ชะะีโอ้เนี่ยใน่นหนักนะหนันนะครับ ความจริงก็ต้องมีกนระเบียบอะไรใี่ดีนนเนี่ยที่วัดเนี่ยสมมติเราต้องคุยใจอีอ้ร อ, อบสองรอบใ น, นระหนว <c oughs> ่างเกี่ยวข้านีกใหม่ที่จะมาบวกก็มีคุยกันอีกนะคะต่อไปนะครับครับข้องวงนะครับแต่ะะไม่ใช่แต่ไม่ใช่ถ้าจะไม่ทําอย่างนั้ น, นะครับถ้าจะคัดกองแต่ก่อนจะเข้าบวชแล้วตกลงเขาใช้วิธีอย่างนั้นนะครับท่านกองก่อน เพราะว่าถ้าบวชเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็ลําบากเราแล้วใช่ไหมบางทีอยู่ดิๆจะไลข้ อ, อไม่ได้นะความผิดยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับมันก็ต้องดูสมควรแกเหตุด้วยก็ใช้วิธีการไว้ก่อนแก้มันจะสะดวกกว่า <c oughs> อ่าไม่พูดไม่คุยมาก <c oughs> มาาอะไรเอ่าใช่ครับพอมทันนะ <c oughs> ว่ายากสอนยากอะไรไม่ได้ไดใช่ไหมเนี่ย แต่บันที่มันทํายากนะหลายอย่างเพราะเอาขณะคุณบาลจาร์ขณาข น, า น, า น, านี้เห็นว่าคุณจะลงแล้วใช่ไหมครับแต่จะมีฝ่ายที่โอ้ยสงสารเห็นใจนะแห่ไม่รู้เรื่องข้าวใหม่พืชบัว อ, อะไรนี่นะก็อย่างโอ้ยจะทำะเท่งนั้นแะน่เลยนะครับอย่างงี้นะมันก็จะมีขึ้นมาอีกนะครับแต่าการไม่ได้แต่แรกมันจะดีอนะออกกฎกันเลยคุณมันต้องคุณสมบัติขนาดไหนนะครับถึงจะอยู่ได้นะต้องสร้างมีศรัทธามีอะไรที่ป่า ถ้าเขาไม่มีศรัทธาหรือมัจริงคำพูดออกมาเองนะครับก็จะรู้กันนะในนี้ครับเราก็ไม่แต่กต้องคุยกันนะในขณะนะครับเนี่ยพอท่าอย่างนั้นนะไม่ได้มีการต่างกองให้ดีก่อนแล้วพอเข้ามาแล้วเนะมือเราบอกแนะนําอะไรเข้าไม่ได้ใช่ไ้มครับมันก็รำบากเราใช่ไหมนี่มัแต่ปล่อยกี่ลูกกี่ลูกก็ปล่อยทีนี้ก็กลัวมันต่เลยนะนะครับเลต้องการให้ก่อนถึงจะดีนะครับวันนี้ก็มีวิธีวางใจที่บอกว่าอะไร ถ้าเราบอกแล้วอะไรแล้วหรือว่าเห็นว่าบอกไม่ได้เป็นคนที่ว่ายากสอนยากหรือว่าดุร้ายนะครับแล้วก็ทําใจว่าเขาจะปรางกุดได้กรรมเขาเองนะครับที่เขาทำอะไรไม่ดีเอาไว้นะเขาจะปรางกุดได้กรรมเขาเองนะครับหรือเขาก็จะรู้เองว่ามันจะเกิดอะไรไม่ดีเขานะก็อย่าได้รับผลได้รับโทษเองแล้วก็วางใจก็ได้นถ้าบอกไม่ได้จริงนะครับทีนี้ผมก็ต้องพยายามวางใจน่ดูนะ เพื่อนผมเคยบอกว่านะการอยู่กันเนรมันดีอย่างนะยิ่งแบบเนื้อในอะไรนะมันได้อะไรนะทดลองสมาตัวเองนี่ทดลองผัผ่านใจใจด้วยเอี่โอ้ยใจนียังไม่ดีนะต้องค่าเลือกก่อนกันดีละวีมีอะไรมครัเกียวเรื่องคนนี้อะไรนะครับ อืมครับเพราะันต้องตาองตั้งแต่แรกนะควรจะคุยกันครับเขาไม่ใช่คุยกันงก่อนนะบวกเพื่อประโยชน์อะไรครับคานี้มันจีมันมีความหมายเยอะเลยนะข้อที่บอกผมถูกบังคัให้บวชผมบวชให้พ่อยแม่ยอะอย่างงี้นะ แล้ะต้องบอกข้อว่ากติกาอะไรทั้งหมดนะครับเป็นผ้าไหมไม่ได้บวกเข้ามันก็ต้องเรียนต้องศึกษาคุณจะรับได้ไหมคุณจะต้องเน้นไปนที่ไอ้กฎระเบียอะไรของเราให้หนักนะครับแล้วก็ซักทําได้ไหมทําได้ไหมแล้วก็คุณก็ต้องพร้อมยอมรับการลงโทษหรือว่าถ้าไม่ไหวจริงก็ต้องย้ายบ้านแะท้คาว่าขู่เขาก่อนก่อนที่เขาจะเข้านะครับขู่ไม่ก่อนนะถ้าคนที่ไม่ได้มีสดตยจริงนะเขาเล่าไม่ได้หรอกแล้วก็ไปบวชที่อื่นใช่ไหมครับ อย่เนี้ยนะเนี้ยคงคุยเท่าประชุมกันนะครับน่าจะมีแหละเพราะงั้นก็ละบากนะครับแล้วเกี่ยวากาับแนะนำนะครหรือว่าจะระบบระเบียบก็แล้วแต่นะความจริงมันจะมีวิธีพูดอันที่ผมเคยคิดไว้นะอย่างเช่นต้องการให้มาททำอะไรสักอย่างราจะเห็นว่างานนี้ไม่ค่อยมีคนทำใช่ไหครับเราไม่ได้เราจะไม่รลงต้นในการเพ่งโทษอช่ไครับ จะไม่เรา่มต้นในการแกลงโทษทำไมไม่ทําทำไมถึงไม่ทำํำไม่ดีทําไมทําอย่างนี้ขอให้เนทําทไปอย่างนี้นะครับเราจะไม่เริ่มต้นในการแกล้งโทษถ้าเริ่มต้นในการแกลงโทษปุ๊บนะครับความรู้สึกที่ไม่ดีเกิดขึ้นคนที่โดนแกลงโทษหลายคนนี้ทําไมถึงขนาดนี้เนะพราะบางอย่างเขาจะทําไปโดยการที่รู้ไม่ถึงเท่าไม่ถึงกลางก็ได้นะครับคือบางคนเขาอาจจะเล่าได้มีปัญหานะั้นก็ช้องก่ออะไรแต่ความรู้สึกนะครับ ของคนฟังเราจะมีเกิดคำถามมโนภาพตัวสามูโโาาาหหมหะใช่ไหมพอมโนแห่งโทษก่อนเนี่ยผลลัพธ์สิ่งไมีดีจะเกิดขึ้นเมื่อความรู้สึกที่มีดีเกิดขึ้นปุ๊บเมื่อมีการจัดระบบให้ทํางานปุ๊บนะ่มันไม่ได้ทำด้วยความจริงใจนะครับมันจะรู้สึกว่าทําให้ถูกครับใช่ไหมเพอเขารู้สึกว่าตอนแรกเนคนพูดไม่ได้ไว้ใจเขาคนพูดมีการแห่งโทษก่อแล้วก็พยายามจัดให้เขาเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเรา แต่เราบอกไม่มีการทํางานเหมือนกันแต่เราม่เริ่มต้นที่แผงโชนะครับเราเริ่มต้นด้วยอะไรครับเริ่มต้นด้วยสานียธรรมครับเริ่มต้นด้วยสานียธรรมเมตตากายกรมมวิชีกรรมโนกรรมเอาเมตตามโนกรรมขึ้นต้นก่อนเลยนะครับเมตตามโนกรรมเนี่ยขึ้นต้นเป็นหลักเลยนะแล้วก็พูดเหตุผลให้ฟังเราต้องต้องไว้ใจต้องตั้งความไว้ใจในพื้นสัคมมันจังก่อนนะและที่เราบอกว่า มองดูด้วยสายตาที่มันเป็นมิตรนะครับมองดูผู้นิสัยตาที่เป็นมิตรก่อนนะแล้วตั้งความไว้บังใจว่าถ้าคุยถ้าแนะนําหรือบอกเหตุผลเนี่ยทุกคนจะทําตามจะเชื่อนะครับตั้งใจมาอย่างนี้ก่อนนะอย่าตั้งใจที่เพ่งโทษนะครับและรักษานียธรรมเนี่ยไปพูดว่าฟังครับก็ไปอ่านมาให้ดีแล้วก็พูดเหตุผลนั่งเรียนรักษานียธรรมหรว่าทําอะไรก็ทําอย่างงี้อย่างนี้นั้นไม่ทําไม่ได้นะครับและเป็นยังไง บออยมันผลได้ฟังนะครับอย่างนี้แหละคนจะยอมรับและพอเราจัดระบบปุ่มนะเราคนจะยอมรับแล้วก็ทําด้วยใจนะครับทําด้วยใจรักด้วยการเห็นคุณค่านะด้วยการเชื่อฟังจริงเพราะมันได้เห็นผลใช่ไหมมันได้ความไว้วางใจบางาใจใช่ไหมครับมันได้ความปรัชนาดีที่ออกมาใช่ไหมเมื่อเราเมื่อเขายอมรับแล้วเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวนะครับเราบอกไปอะไรไปคุณก็ต้องเชื่ออยู่แล้วใช่ไหมครับ แต่เมื่อใครไม่ยอมรับเขายังไม่ไว้ใจแล้วก็กวนดแกลงโทษนี่นะเนี่ยมันจะเสียตรงนั้นนพอเนี่ยอยู่ที่ที่ระบอกอย่างนี้นะครับว่าทำเป็นแผงตารางมาเลยบางธีทาต้องยังไงะครับมันก็ต้องต้องมีนะนะคอืมขนมาใหก็องเ่นาด่งี๋ยวีคง ม, มีพูดกันแต่ว่าชว่วงนี้เป็นชว่วงที่ไรครับ ช่วงจานี่กัอยู่นะบางคนอาจจะใจเสียโอ้ยคนนั้นก็ไปคนนี้คนไปผมอยากจะไปมากทางนี้ดีเดี๋ยวพึ่งไปนะเราให้เรียนจบก่อนนะครับนี่ประโยชน์นะครับไปเมื่อไหร่ครับอ๋อครับไม่เป็นไรแต่ไม่หยู่นะผมก็สอนไปเรื่อยๆนะครับเขาไม่อยู่ครับเอาว่าเฉพานี่จําเป็นนะ เ้าอเป็นต้องไปก็นั่นเะารับไม่เป็นไรอยากมีกินบางทางอันนี้นะครก็คูดในความดี่ระบบนั่นแล้วก็มันก็จาะมาดี น, นะครับแล้วบางทมก็หา ย, ยากนะหายยากต้องคุยกันนะระบบขา้าราชกาบริหารต้องคุยกันก่อน <c oughs> จะมึงเคลียร์ก่อนนะครับอันที่เกิดเรื่องที่ผมกล้าพูดอันนี้ไม่ใช่เพราะอะไรนะ <c oughs> ผมก็อยู่ในวัดที่เขามีการระบบอย่างนี้นะครับระบบว่า ไอ้ที่ว่าเขาไมา่ไดะะ้เริ่มต้นด้วยสาระนิยธทําแต่เริ่มต้นในการทั้งโทษนะครับพออะไรไม่เข้าลูกเข้ารอยหน่อยนะจะมีการใส่โทรศัพ์สใส่อารมณ์กันเยอะเริมพูดเน้กแนนพูดกับเทพบกัแล้วแต่นะครับพออยู่ไปอยู่มานะครับมันเขาเรียกว่าอะไร <c oughs> มันรักษานําใจคนไม่ได้ะะ <c oughs> มันดึงใจคนไม่ ไ, มได้น ะ, ะใช่ไหมมันไม่กินใจคนอสิทธิผู้นำำําทําใช่ไหมครับ คนก็ออกนะคนพอเขาจบแล้วเข้าไปมันอแรกก็ไม่มีใครยาจะช่วยนครับพราะผมก็ไม่ได้รับความไว้วางใจใช่ไหมเนี่ยมันเป็นลักษณะนี้นะครับอันที่ใครอยู่นะที่จะอยู่นะมันก็จะไม่มีใครยาจะช่วยนะคับแต่เรเริ่มต้นด้วยความหาดีทุกคนอยู่หาสุขแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวนะเราทํามาของพระพุทธเจ้าไปใช้นะ่ะมีหนื้่ที่จะอยู่ไม่หาสุขใช่มครัพพรยอมไปใช้เต็มที่ก็แล้วกัน ศึกษาก็ให้ดีบอกให้ดีว่าลักษณะของศาลานิยธรรมเนี่ยที่แท้จริงเป็นยังไงต้นนนะครับแล้วก็บอกไปคือบางทีเนี่ยแล้วก็บาง เ, งเรื่องที่เท่าไปะจะไม่เกี่ยวกับารที่แบบไม่เข้าใจผ่องแท้เหตุนัยนยะของธรรมวินัยบางข้อนะครับเวลาทํามันก็เลยดูแข็งแข็งดูยัง ไ, นนไง น, นะในนี้มีได้ครับเพราะว่าไม่ได้เข้าใจนัยยะทั้งหมดบางทีมันจะมีวิธีนะทํางนี้เน่ะเป็นอาบาัติไมมเป็นอาบาัติไหม ผมยกตัวอย่างน่าจะถามไม่ผู้ท้าทึนตัวบุคคลนะครับยกตัวอย่างให้ดูเฉยอย่างที่ว่าภระศิละตั้งน้ําล้างเท้านี้อย่างนี้นใช่ไหมค <Okay. S 1> รับพระศิละตึงน้ํำล้างเท้าผมถามว่าพาะศิละผิดไหมครับ okay. ไ, มไม่ผิดใช่ไหม <Yeah. S 1> ถึงแม้จะเป็นการตั้งน้ำมั่งท้ายพ้าที่พรรสอน้อยกว่า <Yeah. S 1> ผิดไหมครับไม่ผิดนะครับ yeah. ถือว่าเป็นการทําวัานอย่างหนึ่ง น, นะเขาเรียว <ordering. S 1> รกว่าภาษาเขาว่าวัฒน์ในโรงฉันใช่ไหมครับจะเก็บในกวาดทงความสาดแม้แต่ปะนะูนหน้านะต้องถึงนาดน้ำฉันน้าใช้ตั้งน้าล้างค้านะครับ <writes. S 1> ไม่มีเป็นไ ม, ไม่ไม่เวอาบานะครับไม่ถือว่าการรับใช้พระน้อยเพราะว่ใส่ใจที่จะทําว่านะครับเพราะเป็นข้อว่านอย่างหนึ่งข้อว่านนี้ไม่ได้จอดจงแต่พราะพระนวากาตต้องทํานะคือทุกคนนะครับภาพวิสุทธิเสมอกัอนหมดที่ต้องทําด้วยกัน ครับทีนี้นะ่ะเราจะบอกว่าอคระศิลาธรรมทําทไมถ้พาผู้นั้นไม่ยอมตั้งนะหลังนทะ้า <c oughs> ความจริงเน่ยเมื่อก่อนผมตั้งไม่ผมไม่ได้ตั้งมเปิดน้าําำรองไว้ตอนช้ํามันก็อยู่ใช่ไหมเป็นอย่างเตรีร้ยหมดนะครับพูดถ่ายกระลมงกระลมังอะไรนะคนที่เขาเตี้ยไม่ให้แล้วแค่มาวางจักรเข้าที่แล้วก็กว่ามันจะมีฝุ่นอยู่เรื่อยอ่ะกว่วาอะไรทําไม่ดีนะครับแล้วก็มาเตี้ยนหลังท้า แต่ทีนี้พราดิลัสาเนี่ยอย่าทำว่านะอ่าอันนี้การใครต้องการอย่าทำปริศนาอย่าทํานะเราห้ามกันไม่ได้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นเรื่องใหญ่ที่ดีทต้องการที่ท่านต้องการที่จะทําทนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีคนอื่นทาคนอื่นก็ทําแต่ว่าท่านทำก่อนอ <c oughs> ใช่ไหม<ช>ผมก็ทําอยู่ <c oughs> แล้วแหนะครับยิ่ ป, ปัญหาของผมทำทุกวันเ <c oughs> พราะผมอยู่นะมางทีล้วก็ต้องดูนะครับเ <c oughs> นี่ยบางทีมันก็เลยแบบ ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รอดไม่ทั่วถึงบางอย่างนะเพราะว่าท่านไม่ได้มองเหตุการณทั้งหมดใช่ไหมครับคือถ้าไม่มีใครยอมทําเลยปล่อยให้พระิริธรรมเนี่ยนะหน้าตําหนิใช่ไหมทำไมไม่ยอมทํำห่ะปล่อยให้พระิริธรรมได้อย่างแต่ถ้ามีคนทําอยู่แล้วแต่ภระิริท่านอยากจะมาช่วยเองเนี่ยนะอันนี้ก็ไม่มีใครผิดครับิริธรรก็ถือว่าทําดีแล้วนะที่มาช่วยพระนรรคก็ไม่ใช่ว่าผิดนะเพราะมีคไปทําแทนนะนี่นะครับ อันนี้ก็อาครับม่ีคนูาไม่เป็นการับใ้ย้วีละัานยนอ๋อมันมีแล้เกี่ยวกับารทสามมิจิกรรมกราไหว้ลูกแล้วกระทบัญชลีสามมิจิตกรรมนะครับอันนี้นะเป็นอาบัติกรครับค้ตรงนี้อ๋อข้อามีอะไรใ้ด้วยเขาไม่มีไม่เป็นเขามเป็นเขาจะเป็นพว้สาอสามมิจฉา แสดงความออนน้องนะครับในดความออนน้องต่อพระพู yeah, ้น้อยเนี่ยนะมีท yeah, ั้งก่าทั้งหว้นะครับถ้าครูน้อยมาก็ลุกนั่งนี่นะครับเชื้อเชิในอาสนะอันนี้ครับเชื้อเชิเป็นิกรรมต่างๆชอเชิญ่วยติดตเข้าไม่ใช่นการเคารพแตั้งใจว่าเคารพด้วยอ๋อไม่เป็นไรครับไเป็นไรครับเชื้อเด้วยอาสนะหมายเขาว่าถ้าครูน้อยมาใช่ไหยครับ เราลุกขึ้นแล้วก็ขอให้ท่านั่งแทนอย่างนี้ลักษณะนี้นะครับอย่างเช่เราฉันน้ำปลาหน้าอยู่ธรรมดาเน่ยพระพารถเสดระกูบาลจารมาเนี่ยเราก็ต้องลุกขึ้นใช่ไหมครับแล้วท่านนั่งนะไม่ใช่เป็นนั่ง่แช่ไม่รู้ไม่ชี้น่ะอ้าวที่นั่งก็ไม่มีท่านนั่งหาที่นั่งเองอย่างนี้ไม่ได้นี่เขาเรียกพระคุณ้อยไม่ได้นะเราก็ต้องลุพระคุณใหญ่เข้าสงสามากกว่ามานั่งนะครับไม่ใช่มาทําไม่รู้ไม่ชี้อย่างนี้ไม่ได้อันเนี้พระคุณอะไรทำอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าพระผู้ใหญ่ทำซะเองเนี่ย ถ้านลูกเสี่ยงนะถ้าถ้าอยู่ปริวาสท่ได้ท่าต้องทำแต่ถ้าไม่ได้อยู่ปริวาสท่านไม่ต้องทำอย่างนั้นนะครับลูกขึ้นนะแล้วให้ครับผู้น้อยมานั่งแทนไม่ต้องทํับาถ้าถ้าถ้าจะใจว่าอยากทบุญแลให้เขานบ้างก็อริตกมีเองนได้ไมรแต่ไม่ใช่ว่าเขาลงแต่ในทางที่ต้องลงไปเลยถ้าเกิดทำบุญแล้วเิขาก็เปลี่ยนลเลย้าก มันเรียกว่ามีที่นั่งที่อื่นอยู่นะได้นะครับคือมันมีที่นั่งเยอะหลายที่ใช่ไหมครับบริท่านเห็นว่าท่านนั่งตรงนั้นน่ะถ้าพพน้อนนี์ลาบากเลยนะมันก็มีกั้ยหลายตัวน่ะแต่ว่าไอตัวที่ท่านนั่งกันน่ะท่านปภาษาเยอะจริงแต่มันเป็นที่นั่งต่าเท่านั้นเลยไอที่เหลือมันมีที่นั่งสูงน่ะถ้าเราไนั่งที่นั่งสูงปุ้มเนี่ยนวมของนวมกามไม่ต้องนั่งกันเลยท่านก็เอไปนั่งที่นั่งสูงก็แล้วกันนะครับ ไ ม, ไม่ไม่คิ่จะทำสายมิจฉุกกรรมนะครับแต่กิจะอนุเคราะห์นะยังไงท่านก็ได้นั่งเหมือนเดิมครับเห็นว่าเนี่ยให้ทุกคนได้นั่งกันนี้ก็ไม่สป็ครับอากาศอนุเครเฉครับเลิการไหว่ร่าไม่ได้ครับไม่่เรื่อเราไหว่นี้จะเ่ไต้องต้องรเลยเราวไม่ได้ครับกระทําำเลีสามิจฉกกรรมไม่ได้แต่ก็ดีว่าก็ดีนี้ไม่ได้ ละว่างก็ไม่น่าไม่ต้องทำเลยครับนอกจากว่าเวลาปองอาบัตเวลาปองอาบันเป็นเวลาพิเศษถึงแม้เป็นโปรงอภาพเปรษาน้อยกว่าแล้วก็สามารถพนมมือได้ดนะครับอย่างกรณีที่ไนวะมีที่หน่อเนี่ยเขาไหว้เยอะเกินผมไม่รู้จะทำยังไงเขาไหว้ตลอดเลยต้องบอกท่านีหรอครับดีกี่อันกไม่รู้นะต้องบอก ขอบคุณขออ้าถ้าต้องการถุงรือว่าต้องการอะไรไม่ได้ครับบอกให้ต้องไปว่ว้ครั้งอื่นอย่าไหว้กระหาต้องไหว้มาไปั้งอื่นหรือนมทนาอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดเราไหว้ไม่ได้ไม่ได้นครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใ่จนั้นนะครับไม่ได้ไม่ได้ที่หมอที่บ่อยที่สุเลยทุกครั้เลยใครก็ไหวเลยทั้งจริงก็ไม่ได้นะครับ พักขึ้นกันก็นกนแล้วกันนะครับได้ขึ้นหนึ่งแรกพูดเรื่องนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวทำที่ไหนเท่านั้นนครับเดียวเท่านั้นการทุ่มเท่าไหร่รวมไม่ได้ว่าพระสุนทรท่านทำวัดท่านมาตั้งน้วมกับญาติว่าได้จะมีเขาท่านใช่ไ ม, ไม่ไม่ผิดหรอกนะท่านอยากจะมาช่วยแต่ความจริงก็ให้พระนับกบวชกขนขวายสัหน่อยแต่ว่าถ้าพรานักบวชมาแล้วแต่ท่านก็อยากจะมาอีกเนี่ย มันก็ไม่ได้ปิดอะไรครับขออ่ากาคะเ้าที่ว่าพระนุนเดืนน้ตัวกลางเราวกมาเดือนาหารพอดีนะใช่แล้วกี่ภาษาขึ้นไครับไม่เป็นพันุนเดือนน้อยออคิดภาษาฟังเลยครัโอก็ต้องดูนะอ่านพระรัชกาลภาษาหนึ่งถึงห้านะครับชื่อพระกาแล้วก็ดูตาเหมาะสมมันก็แล้วแต่นะครับสมมว่าว่าเราเนี่ยเอาไม่มีภาษาหนึ่งเลยมีแต่ภาษาหกขึ้นไปอย่างี้นะ เราก็ดูว่าถ้าเราก็พอประมาณนะถ้าที่มาสามน้อยๆนะไปทํากันแค่นี้แหละมันก็สามารถทําได้นะใช่ไหมครับถ้ามันสามมากราขึ้นไปเนะี่ยอาจจะไม่ถึงหกก็แล้แต่นะอาจจะหนึ่งสองสามก็ทำก็ได้พวกเราก็คุยกันทำนะครับถ้ามากกว่า น, นั้นก็ถ้ายังไม่ทำก็แล้วแต่นี้นนะแเราก็ต้องดูไายที่นั้นเราดูสถานการณ์เรื่อยนะ คนทํางานทุกอย่างไม่ได้นะครับอย่างแรก ง, งานมันน้อยไม่พอมันก็มีการแบ่งกระจายทําแต่ละจุดแต่ละจุดใช่มครับถึงท่าไม่ได้ทํเพราะว่าผมไม่ได้จัดขาดไปจัดค่าเข้าจริงแต่ผมกวาดถูสาราท้กวันอ่ะเช้าบ่าเช้ามาเนี่ยถ้าผมไปทําอีกลเลยเนยเหนื่อยจะตายใช่ไหมมันหนักกว่าบนะางทีนั่อเองใช่ไหมเนี่ยครับเราก็ถือว่าได้ทํานะแต่บางทีมันอยู่ที่ว่าอย่างหนูไม่ได้ฝังผล และก็ไม่ได้คุยกันม่ได้่กับคุณบางซ่างนี่ะครับเนี้ยก็เลยไม่มีการไม่ได้เข้าใจนะครับแต่ถ้าเอาแบ่งกลุ่มกันเลยนะครับและก็ถือว่าแบ่งกลุ่มวันผ้านในกี่รูปละแล้วก็แต่ละกลุ่มก็มีผ้าเสื้คลอดอบรมที่เขาจะต้องทำที่ไหนนะคอยอบรมเพราะว่าปฏิบัติคอยแนะนําแล้วก็แบ่งกัเลยนะครับนี่ทุกคนก็จะรู้ใช่ไหมอ้าวคุณชอบใส่องค์ไหนก็ไปอยู่กับให้แนะนํากันนะบอกปฏิการเข้าวันบอกอะไร 哪里呢？北京。